50 languages. โรงแรมการมาถึง Hotel Me a h คุณมีห้องว่างไหมคะองห n a a m a ้อง d คุณมีห้องว่างไหมคะอง่หะ้อง้วค่ะ ฉันมรห้องเดี่ยวค่ะ ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะก้องียงค่า1คืนค่าที่พกเท่าไหร่อยาค่ากเได้ห้องทีย่าีัห้องน้ํยค่าค่าที่พักเท่าไหร่คะห้องเตียงค่านาีักไหห้องเีย่าค่ี่ักเไ่ะห้องีย่1ที่ักเท่าไหร่ะห้องเตีนค่าทไหห้องได้ไหมคะ่ คือแม้จะมีการใช้ภาษาอังกฤษก็ตาม ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะที่ค่ะม่ย์ย์ย์ย์ก์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ค่ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยนย่ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยอย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์า์ย์ย์ย์ย์า์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะดูเพลย์ค่ะบริการอาหารเย็นกี่โมงคะชามคการาาาั